เจริญอนทุกๆท่านไม่เจอกันเดือนหนึ่งพาวนาเป็นไงบ้าง <c oughs> ชาวโลกไม่ไม่เจอกันพอเจอกันต้องถามสบายดีหรือนักปฏิบัติเจอกันถามภานาหรื อ, อยังวันนี้ไม่ต้องเจ้าบวยนะต้องภาวนาบ่วยถ้าครูบาอาจารย์ท่านเจอกันท่านจะถามว่าทุกพอตจนได้หรือ ท่านสติปัญญาท่านมากใช่ไหม น, นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปงั้นท่านไป ม, ม า, ถา ม, าถามสบายดีหรือถามสบายดีหรือนี่ถามแบบคนไม่ได้ศึกษาธรรมะถ้าศึกษาธรรมะถามยังพอตนได้ไหมที่ทุกข์อยู่ท่านขัดขันพอตนได้บอกยังพอตนได้อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ยินนะกสอนครูบาจารย์เจอกันท่านก็พู ถ้าท่านสติปัญญาท่านอบรมมาดีน่ไม่ประมาทเห็นความจริงเห็นทุกข์เห็นโทษของธาตุของขันเรื่อยๆไปช่วงที่ผ่านมานี่นะหลวงพ่อออกไปเทศที่ต่างๆมากปที่ผ่านมานี้ออกไปเทศมากใหม่เลยหลายสิบครั้งได้พบ ความนาอัศจรรย์ของธรรมะคนจํานวนมากเลยแค่ฟังซีดีพระภนาเป็นคําว่าภาวนาเป็นของหลวงพ่อเนี่ยมาตรฐานสูงนะไม่ใช่แค่นั่งสมาธิให้จิตสงบถ้านั่งสมาธิให้จิตสงบได้หลวงพ่อไม่เรียกว่าภาวนาเป็นหรอกนั่นภาวนาเอาแต่สบายก็ดีเหมือนกันแต่ว่ายัางไม่เข้าใจหรอกว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร ลำพังการ น, นั่งสมาธิให้จิตมีความสุขมีความสงบมีความดีและพอใจอยู่ในความสุขความสงบความดีสิ่งเหล่านี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าดยซ้ำไปแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิเสธเหมือนอย่างเรื่องการทำทานการรักษาศีลมีมาก่อนพระพุทธเจ้าแต่ท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่ามันก็เป็นของมีประโยชน์ทาทานก็เพื่อลดละ ความเห็นแก่ตัวความเจาหนีอะไรนี่รักษาศีลนี่ก็เป็นเครื่องมือสู้กิเลสอย่างหยาบหยาบกิเลสเวลามันหยาบมันแรงเนี่ยปัญญาสู้ไม่ไหวเืมอกิเลสอย่างกระท่อนสุ่มนะจะามีด่าตัดไปผ่าเนี้ยผ่าไม่รอดเอาไฟไม่ได้ก็เล่นขวานเล่นเรื่อยสีดมันเหมือนอาวุธอย่างหยาบหยาบมากๆเลยให้สู้กิเลสที่รุนแรง ในสิ่เหล่านี้มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าะท่านก็เห็นว่ามีประโยชน์ท่านก็ว่าดีนักปราชญ์ทั้งหลายเาก็ยกย่องกันมีศีลเหมือนๆกันเรื่องการนั่งสมาธิก็มีสองส่วนส่วนนี้ที่หลวงพ่อจําจีจำชัยพวกเรามากเลยเพราะหลวงพ่อเห็นความสำคัญถ้าเราไม่มีสมาธิที่ถูกต้องเราไม่สามารถเจริญปัญญาได้จริงทําไม่ได้เด็ดขาดเลย ในสมาธิเนี่ยเราไม่ค่อยรู้กันว่ามันมีสองสมาธินะที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรามาหลายปีนะเดี๋ยวนี้ผลงานมองไปนะคนทำสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยมีมากขึ้นมากขึ้นอยวพวกเราในห้องนี้จำนวนมากเลยที่ทำได้แล้วอาจจะเข้าชาญไม่เก่งไม่ชํานาญนะแต่จิตตั้งมั่นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว จิตเคลื่อนไปเรารู้ทันจิตก็ถอนตัวออกมาจากความคิดเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้นี่จิตชนิดนี้แหละเอาไว้เจริญปัญญาเป็นสมาธิที่นอกาศาสนาพุทธไม่มีสมาธิที่มีส่วนใจเป็นสมาธิที่จิตไปเพ่งอยู่ในอารมณ์แดนหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ปฏิเสธหรอกสมาธิเพ่งอารมณ์เอาไว้พักผ่อนเอาไว้ทําสมถะทําให้จิตใจมีเรี่ยวมีแรง พอจิตใจมีเลี้ยมีแรงแล้วก็มาเจริญปัญญาต่อได้มาฝึกสมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วก็มาเจริญปัญญาแต่ถ้าเราทําสมาธิชนิดสงบไม่ได้เราถ้าฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นก็พอเจริญปัญญาได้ด้วยคณิกะสมาธิสมไยสมาธิมีสองอันต้องเรียนอันเนี้ยนะถ้าเราเข้าใจสมาธิสองอย่างนี้แล้วการปฏิบัติของเราจะคล่องแคล่ว ช่วงไหนเน็ดเหนื่อยดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำความสงบใช้สมาธิชนิดสงบช่วงไหนสงบมีเรี่ยวมีแรงแล้วมาปรับจิตขึ้นมาให้มีสมาธิชนิดตั้งมั่นแล้วมาเจริญปัญญาถ้าไม่มีสมาธิตั้งมั่นจิตจะไม่เจริญปัญญาถ้าเราย้อนไปดูพุทธประวัติสมัยพระพุทธเจ้าเด็กๆอายุสามขวบอยง พี่เลี้ยงพาไปอยู่ใต้ต้นว่าพวกพี่เลี้ยงไม่อยู่ไปดูพระเจ้าสุดโทตนะทําพิธีแลกนาควันเจ้าชาสิทธัตถะท่านอยู่องค์เดียวท่านไม่มีอะไรทําแล้วท่านก็ยังไม่รู้เรื่องการนั่งสมาธิอะไรยังเด็กๆไรเดียงสาท่านก็ลุกขึ้นนั่งสมาธิของท่านเองบารมีท่านแก่รอบท่านเจริญสติสมาธิปัญญามาสมบูรณ์ เกือบจะเต็มร้อยอยู่แล้วขาดปัญญาอีกนิดหน่อยท่านเองถ้าได้ปัญญาอีกนิดหน่อยท่านก็บรรลุพระอรหันต์เรื่องสมาธิเนี่ยท่านชำนิชำนาญมาแต่ไหนแต่ไรตอนเด็กๆเนี่ยไร้เดียงสาไม่เคยได้ยินสมาธิอย่างอื่นไม่มีใครสอนท่านเนองตอนท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิท่านก็ทําไปตามความเคยชินของท่านท่านทําอนาปนาสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวจิตได้ปฐมฌานในตําราพูดไว้แค่เนี้ แลอธิบายไ ม, ไม่ได้แล้วอธิบายไม่ถูกแล้วก็ต้องบอกแต่ว่าท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิของท่านเองได้ปฐมมัชานแล้วเสร็จแล้วก็ตอนท่านออกไปบวชท่านไปนั่งสมาธิกะรือสีได้ถึงฌานที่แปดฌานที่เจ็ดฌานที่แดแล้วท่านพาะว่าไม่ใช่ทางเนี่ยในตําราอธิบายไม่ถูกนะทาไมปฐมมัชานเราใช่ทางาถึมฌานที่เจดที่แปดจะบอกไม่ใช่ทาง เสร็จแล้วก็บอกว่าท่านก็กลับมาไปทรมานกายพ้นจากการทรมานกายกลับมานั่งสมาธิของท่านเองท่านได้ยินว่าได้ยินพระอินทรดีดพินวาไปตึงไปไม่หย่อนไปทางสายกลางตึงไปไม่ดีหย่อนไปไม่ดีท่านก็เริ่มทำสมาธิมันต่างกันยังไงสมาธิตอนเด็กๆสมาธิที่ไปเรียนการฤษีและสมาธิที่ท่านทำของท่านในวันที่จะบรรลุสัมมาสัพโทยทิาน ในตำราอธิบายไม่ได้นะอันเนี้ยต้องนักปฏิบัติถึงจะเข้าใจตอนท่านเด็กๆท่านลุกขึ้นมานั่งสมาธินั่นสมาธิชนิดนั้นเรียกว่าลักขณูปนิชฌานตอนที่ไปฝึกกะลือศีนัสมาธิมันเป็นแบบที่เรียกว่าอารามณูปนิชฌานจะไม่เหมือนกันวันที่ท่านจะแตกหักกับกิเลสท่านทําสมาธิเหมือนตอนเด็กๆหรือทําลักขณูปนิชฌานขึ้นมา แค่สมาธิไม่ใช่ว่า AI. เออเขาบอกทําสมาธิทําสมาธิแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่เกี่ยวกันนะต้องทําสมาธิให้ถูกชนิดด้วยทําไมสมาธิมันมี2 อ, อย่างแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรสมาธิอันหนึ่งนะมันเพ่งอารมณ์สมาธิอันหนึ่งมันตั้งมั่นอยู่ที่จิตถ้าพวกเราเป็นนักปฏิบัติเราจะรู้ถึงสิ่งซึ่งเป็นคู่กันในทุกปรากฏการณนะ์จะมีจิตกับอารมณ์ จิตคือผู้รู้อารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกจิตรู้นั่นอารมณ์นี้มีมากมายเหลือเกินจิตนั้นเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ลักษณะของจิตนั้นะ แ, แค่ธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่ว่าจะเป็นจิตปุถุชนจิตสัตว์เดรัจฉานจิตสัตว์นรกจิตพระละหันก็คือธรรมชาติที่รู้อารมณ์คําว่าอารมณ์อารมณ์นะหลวงพ่อสอใบอๆนะ อย่างเรื่องราวที่เราคิดนี่ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัติเอาไปทําวิปัสสนาไม่ได้อารมณ์วันที่สองนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสประพภะนะแล้วก็ธรรมอารมณ์บางอย่างในใจเรานะเช่นความโลภความโกรธความหลงอะไรนีนะ้อันนี้เป็นเป็นนามธรรมนะรูปเสียงกลิ่นรสประทภะเป็นอารมณ์ที่เป็นรูปธ ร, นะธรรมธรรมอารมณ์ เป็นอารมณ์ uniform, ท, time, mm. ที่เป็นนามธรรมอารมณ์ที่เป็นนามธรรมนะมีเยอะนะเป็นรูปธรรมก็มีที่เป็นธรรมอารมณ์ก็มียุ่งหน่อยนะอันนี้ถ้าฟังไม่เข้าใจก็เวทไปก่อนก็ได้รวมความก็คือที่ใดมีจิตที่นั้นมีอารมณ์ที่ได้มีอารมณ์ที่นั้นมีจิตต้องเข้าคู่กันอย่างนี้อารมณ์จะเป็นอารมณ์รูปนามอารมณ์บัญญัติคือเรื่องราวที่คิดหรืออารมณ์นิพพานซึ่งพ้นจากรูปนามพ้นจากเรื่องราวที่คิดก็ได้ แต่รวมแล้วก็คือถ้ามีจิตต้องมีอารมณ์จ really? ิตจะอยู Christ, ่โดยปราศจากอารมณ์ไม่ไ <thing> ด <cadence>, ้เพราะจิตหน้าที่ของจิตนทําหน้าที่รู้อารมณ์ดังนต้องรู้อารมณ์นี่สมาธิมก็เลยมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนึ่งเนี่ยจิตมันเคลื่อนไปตั้งอยู่ที่ตัวอารมณ์ไปให้ความสําคัญกับอารมณ์สมาธิชนิดที่สองจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตให้ความสําคัญกับจิตเนี่สมาธิมก็เลยมีสองชนิดนะ สมาธิที่จิตไหลไปอยู่กับอารมณ์เช่นเราพุทโธพุทโธจิตเราไปอยู่กับพุทโธอย่างนี้สมาธิที่มันเป็นเพ่งอารมณ์พุทโธถ้าเรารู้ลมหายใจเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ลมหายใจอยู่แล้วจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจอันนี้ก็เป็นสมาธิที่เพ่งอารมณ์เรีอารมณุปนิชฌานไปเพ่งอารมณ์เวลาที่เราดูท้องผ่องยุบจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ท้องไปนิ่งอยู่ที่ท้องไม่ไปที่อื่นเลยอยู่ที่ท้องอย่างเดียว นะท้องนะเป็นตัวสำคัญเด่นขึ้นมาอันนี้คือการเพ่งอารมณ์ท้องก็เป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเวลาเดินจงกรมนะคอยดูที่เท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้าเป็นนิ่งอยู่ที่เท้าจิตไปรู้เท้าเท้าก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ก็เป็นอารมณ์อนนี้ก็ซื่อสมาธิเพ่งอารมณ์สมาธิส่วนใหญ่ที่เขาทำกันมันคือสมาธิเพ่งอารมณ์งั้นไม่ใช่สมาธิที่จะใช้เจริญวิปัสส น, นากรรมฐานเลย ส่วนสมาธิที่ใช้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเจริญปัญญาเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นสมาธิที่คอยรู้ทันจิตนะเช่นเราหัดพุทโธพุทโธเนี่ยเราไม่ได้เอาพุทโธเป็นตัวหลักแต่เราเอาจิตเป็นตัวหลักพุทโธพุทโธจิตนี้ไปคิดเรารู้ทันนะพุทโธพุทโธจิตไปเพ่งนิ่งๆิ่งอยู่เรารู้ทันหรือเรารู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะมันต้องมีอารมณ์นะมีจิตก็มีอารมณ์ แต่เราเอาจิตเป็นหลักไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นหลักรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตหนีไปคิดรู้ทันจิตเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์รู้ทันตรงที่จิตหนีไปคิดก็คือจิตมันเคลื่อนไปอยู่ในโลกของความคิดตรงที่ไปรู้ลมหายใจจิตเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นจิตเคลื่อนทั้งสิ้นเลยจิตที่เคลื่อนไปนั่นแหละคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นคือจิตที่ไม่มีสมาธิที่เรียกว่าลักขณูปนิชฌานจิตไม่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตเวลาไปดูท้องฟองยุบนะถ้าเราทํา อารมณูปนิชานจิตแล้วก็ไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วก็สงบสบายอยู่ที่เดียวแต่ถ้าเราทํารักขณูปนิชานเราดูจิตเป็นหลักเห็นท้องพองยุบไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้คือรู้จิตเป็นหลักการที่เราคอยรู้เท่าทันจิตเนืองๆนะเมื่จิตไหลไปหรือจิตตั้งมั่นอยู่นี่แหละคือบทเรียนที่ชื่อจิตตศิกขาในทางปริยัติเนี่ยเขาจะสอนเรื่องศีลศิกขาจิตศิกขาปัญญาศิกขา จิตตะิษฐาก็ไปพูดว่าเป็นสมาธิก็ถูกเหมือนกันแต่ไม่ได้แยกแยะให้ถูกต้องว่ามันคือสมาธิชนิดไหนมันต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นมันถึงจะเรียกว่าจิตตะศิกขาถ้าเป็นสมาธิที่จิตไปเคลิ้มอยู่กับอารมณ์อันนั้นเป็นเรื่องการเรียนเรื่องอารมณ์แล้วไม่ใช่เรียนเรื่องจิตตัวที่เด่นคือตัวอารมณ์ไม่ใช่ตัวจิตนั้นเราต้องมาฝึกนะให้จิตเราตั้งมั่นขึ้นมาให้ได้ถ้าจิตตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วก็ การปฏิบัติธรรมในขั้นการเจริญปัญญานั้นจึงจะเป็นไปได้ถ้าจิตไม่ตั้งมัน่นมีสมาธิที่แท้จริงนั้นไม่สามารถเจริญปัญญาได้จิตที่จะตั้งมัน่นมีสมาธิที่แท้จริงนั้นเป็นจิตที่เดินอยู่ในทางสายกลางนะเหมือนพระโพธิสัตว์ก่อนที่จะบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณนะท่านธ ร, รมอนาปนสติแต่ไม่ได้ธรรมอนาปนสติที่จิตไปเคลิมอยู่กับลมหายใจหรือไปติดอยู่กับแสงสว่างแล้วก็เพลินเพินอยู่แค่นั้น ท่านทำสมาธินะเนื้จิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนื่อจิตอ่อนจิตเบาจิตนุ่มนวลจิตคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การงานและจิตมีสมาธิคือความตั้งมั่นเกิดขึ้นแล้วท่านน้มน้มจิตนี้ไปเพื่อหยาดทัศนะเนี่ยคือจะใช้จิตที่ตั้งมั่นแล้วนี่แหละเจริญปัญญาราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีจิตชนิดนี้นะเราทำมิปัสนาไม่ได้จริงหรอกไปดูท้องพองยุบนะก็ไปเพ่งท้องกลายเป็นสมถะ ไปดูลมหายใจก็ไปเพ่งลมหายใจใครเป็นสมถะใครพุทโธก็ไปเพ่งพุทโธอีเป็นสมถะ เ, เ, เฉยๆหมดเลยงั้นส่วนใหญ่ที่ทํานะมันไปนสติดอยู่ที่สมาธิขั้นต้นนี้เท่านั้นเองเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาหลวงพ่อไปเทศที่หน่วยราชการแห่งหนึ่งคนมาฟังมากเป็นประวัติการเลยะเฉพาะภายในของเขาเองไม่ได้รับคนนอกมาฟังปรากฏว่าคนเต็มห้องประชุมนะต้องขยายห้องออกไปอีกนะคน มากผิดปกติหลวงพ่อก็เทศเทศให้ฟังสอนเรื่องสมาธิเขาเนี่ยสมาธิที่ถูกต้องเป็นยังไงตอนท้ายนะเขาก็บอกว่าขอให้สอนให้นํานั่งสมาธิอาหลวงพ่อก็บอกเอางั้นทุกคนนั่งสมาธิถ้าปวดก็นั่งแล้วเขาก็คอยรู้สึกตัวนะไม่เคริ้ mn นะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้น่าดูมากเลย คนสักสองร้อยกว่าคนเนี่ยทําลักขณูปนิชฌานฝึกลักขณูปนิชฌานซึ่งหายากมากนะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยวันนั้นถือเป็นวันที่หลวงพอบประสบชัยชนะชัย <c oughs> ชนะนะชนะอะไรชนะพวกดารา <c oughs> วันนั้นนะ่ะเขามีแข่งบาสนะเขาไปเชิญดาราหล่อๆมาตั้งเยอะเนะี่ยมาเล่นบาสให้คนดูนะไม่มีคนไปดูนะคนไม่ค่อยดูคนมาฟังเทศคิดดูซิฟังเทศชนะดาราเนี่ยเป็นเรื่องแปลกนะ ในกระแสธรรมะมันแรงพราก็เสร็จแล้วเ็าฟังแล้วาว่าจิตเขาตั้งมั่นได้เขาเห็นจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนตรงนี้แหละตัวสำคัญมากเลยนะเพราะฉะั้นพวกเราต้องฝึกจิตเคลื่อนไปเราคอยรู้จิตเคลื่อนไปเราคอยรู้แต่เบื้องต้นถ้าอยากจะรู้ให้ดีรู้ให้ไหวเราต้องมีเครื่องอยู่ให้จิตอยู่จะอยู่กับพุโทโธก็ได้แต่อยู่กับพุโทโธไม่ใช่เพื่อน้อมจิตให้นิ่งอยู่กับพุโทโธ เราอยู่กับพุโทโธเพื่อจะรู้ทันเวลาจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นหรือจิตไปเพ่งตัวจิตนิ่งๆอยู่รู้ลมหายใจเราก็ไม่ใช่เพื่อให้จิตนิ่งอยู่กับลมหายใจเรารู้ลมหายใจแล้วก็รู้ทันจิตถึงจะเป็นจิตศิกขาพอรู้ลมหายใจจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้ตัวนี้แหละสาคัญมากนะไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยถ้าเราทําตัวนี้ได้แล้วเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเจ็วันเจ็ดเดือนเจ็ปีต้องได้ผลบ้าง ถ้าเราไม่ดีเกินไปเร็วเกินไปดีเกินไปอย่างหวังพุทธภูมิมันก็ยังไม่ตัดความรู้นะไม่ตัดสินกิเลสไม่ล้างกิเลสหรือเร็วเกินไปแลเราทําบาปมากๆจิตยังไม่ตัดกิเลสแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเราเนี่ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีนะถ้าเราทําถูกต้องมีผลบ้างนะงินพวกเราพยายามฝึกสมาธิที่ถูกต้องนะสมาธิที่ ที่ดีที่งามที่พระพุทธเจ้าค้นพบอาภัพมากเลยไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครสอนเท่าไหร่ความจริงครูบาอาจารย์สอนนะแต่ว่ามาถึงรุ่นเราเนี่ยไม่เข้าใจค่อยคำที่ท่านใช้ไม่เข้าใจคำสอนของท่านอย่างหลวงปู่ดูลสอนบอว่าอย่าส่งจิตออกนอกคาว่าจิตออกนอกก็คือจิตที่เคลื่อนไปไหลไปหาอารมณ์นั่นแหละไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ อารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกไม่จิตเคลื่อนทั้งสิ้นเลยหลวงปู่ดูลนบอกอย่าส่งจิตออกนอกไม่ใช่แปลว่าไม่ให้จิตไม่ให้นึกไม่ให้ปรุงให้แต่งนะแต่ว่าถ้าจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันจิตไหลไปดูรู้ทันจิตไหลไปฟังรู้ทันจิตไหลไปคิดรู้ทันนี่แหละถ้าเราเรารู้ทันจิตที่ออกนอกนี่จิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเราไม่ห้ามการออกนอกนะหลวงปู่ดูลนท่านสอนเลยบอกว่าธรรมชาติของจิตต้องส่งออกนอกเป็นธรรมชาติของจิตเราอย่าไปฝืนธรรมชาติ เราปฏิบัติจนเราเห็นความจริงในจิตมันออกนอกจิตไม่ชอบไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราไม่ห้ามแต่พอมันออกนอกให้รู้ทันทันทีที่เรารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติเนี่ยเราได้สมาธิชนิดตั้งมั่นนะแต่ครูบาอาจารย์ท่านไม่มาแจกแจงให้พวกเราฟังละเอียดละเอียดเท่านั้นว่า น, นี่เรากำลังจะฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นนะอยู่เจอเจอกันนะท่านก็เห็นเราพอจะปฏิบัติได้แล้วท่านก็บอกว่าอย่าส่งจิตออกนอกเ ก็คือไม่ให้จิตไหลไปหลวงปู่เทศท่านก็สอนเรื่องจิตกับใจบอกจิตอันใดใจอันนั้นจิตเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานให้ฝึกนะจับจิตนะให้มันเข้ามาเป็นใจคือเข้ามาเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ท่านก็สอนเห็นไหมจิตเคลื่อนไปจิตจิตมันเคลื่อนไปจับอารมณ์จับอารมณ์ถ้าไปเพ่งอารมณ์อยู่ก็เป็นอารมณูปนิชฌานถ้าเคลื่อนไปจับอารมณ์สเปสปา่าก็ฟุ้งซ่าน ท่านบอกให้ฝึกให้มันเป็นใจคือมาเป็นตัวผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานนี่นแหละตัวจิตตั้งมั่นภาษาที่ท่านใช้นะ่ะแตกต่างกันหรือหลวงพ่อเทียนก็สอนบอกว่าถ้ารู้ว่าจิตคิดจะได้ต้นทางของการปฏิบัติเพรจิตมันเคลื่อนไปคิดรู้ทันว่าจิตมันเคลื่อนไปคิดนะจิตจะตั้งมั่นจะได้ต้นทางของการปฏิบัติที่จะทํำวิปัสสนาต่อไปที่จริงแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนนะแต่ท่านไม่ได้สอนลงรายละเอียดมากอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกเราเท่านั้นเอง สมาธิมีสองอย่างนะสมาธิที่จิตไปสงบอยู่กับอารมณ์เข้าฌานได้1 2 3 4 5ส7 8ี่ห้าดแดแต่เป็นฌานที่อยู่ข้างนอกอยู่ที่ตัวอารมณ์ไปตั้งอยู่ที่อารมณ์เช่นเราดูดวงกะสินเพ่งไฟเ <c oughs> พ่งอะไรเนี่ยจิตเราเคลื่อนไปอยู่ที่ไฟเข้าฌานหนึ่ง6 7 8สาี่้ดแดได้แต่ตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตเป็นสมาธิอีกชนิดหนึ่งเข้าฌานได้ไหม <c oughs> ได้ เข้าได้หนึ่งสองาสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต่ตั้งมั่นอยู่ที่จิตเวลาที่รักนูปนิชานเวลาจิตรวมนะจิตจะไม่เคลื่อนไปรวมข้างนอกนะจิตจะตั้งมัน่นแล้วรู้เนื้อรู้ตัวอยู่บางทีโลกธาตุดับไปนะจิตยังไม่เคลื่อนเลยสติไม่ขาดจิตตั้งมัน่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดสายเลยร่างกายหายไปหมดเลยโลกนี้หายไปหมดเลยแล้วจิตดวงเดียวก็ไม่ไหลไปไหนนะตั้งมั่นเด่นดวงอยู่งั้นนี่แสมาธิที่จิตตั้งมั่นเด่นดวงอยู่ที่จิตนั่นแหละเป็นสมาธิที่สําคัญ แต่เราต้องไม่บังคับมันไม่บังคับให้มันตั้งอยู่ที่จิตนะเอาแค่ว่ารู้ทันว่ามันไหลแล้วมันจะกลับมาพอดีพอดีถ้าเราจงใจให้มันไปตั้งอยู่ที่จิตมันจะตึงเครียดเกินไปพระโพธิสัต์ได้ยินพระยินดีดผิน3 ส, สายนะในตำราว่างนั้นสายที่หนึ่งตึงเกินไปสายผินก็ขาดสายที่สองนะหย่อนไปหนะย่อนเกินไปไม่ไผ่เราะสายที่สานี่พอดีดีดแล้วไผ่เราะ มันก็คือการดําเนินของจิตนั่นแหละจิตที่หย่อนเกินไปนะก็ะคือจิตที่ไหลไปหาอารมณ์ไปเพลินอยู่กับอารมณนะ์อย่าง ก, กระทั่งเรานั่งสมาธินะแล้วจิตเคลิมเพลินกับอารมณ์อันนั้นย่อดหย่อนเกินไปนะตามใจกิเลสแล้วเวลาจิตไหลไปเพลินอยู่กับอารมณ์มันเดียวนะั้นมันมีความสุขมีความเพลิดเพลินมีความพอใจมีราคะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เห็นอนะไรจะติดอยู่กับสมาธิอย่างนั้นนะเมื่อไหรสมาธิเสื่อมนะั้นจะอารมณ์ร้ายกว่าคนปกติ นะเพราะว่ามันสงบมันสบายมานานพอมันเคลื่อนออกมากระทบโลกข้างนอกมันทนไม่ไหวเลยมันร้อนแทบจะระเบิดเลยนี่อย่างนี้เรื่องหย่อนไปนะมันไหลออกนอกไปนะเพลิดเพลินไปตามใจกิเลสไปส่วนสายพินที่ว่าตึงเกินไปก็คือบังคับกายบังคับใจตัวเองนะอย่างพวกเราจะนั่งสมาธิเนี่ยส่วนมากชอบนั่งบังคับตัวเองบังคับไม่ให้จิตคิดไม่ให้จิตนึกไม่ให้จิตปรุงไม่ให้จิตแต่งไม่ให้จิตเคลื่อน จะรักษาจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ตลอดเวลาอนะันนั้นตึงเกินไปนะเราต้องพอดีพอดีเอาแค่ว่าจิตเคลื่อนเรารู้ทันจิตเคลื่อนเรารู้ทันมันจะเกิดสมาธิที่พอดีพอดีสมาธิที่พอดีเนี่ยนะสภาวะของจิตเนี่ยมันจะตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวจิตจะเบาจิตจะอ่อนโยนนุ่มนวลจิตจะคล่องแคล่วว่องไวในการเจริญปัญญาไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่สุมไม่ชือ จิตจะรู้สภาวะธรรมทั้งหลายทั้งรูปธรรมนามารมอย่างที่มันเป็นโดยไม่เข้าไปแทรกแสงนั่นแหละคือสภาวะที่เป็นเป็นทางสายกลางจริงๆของจิตคำว่าทางสายกลางทางสายกลางมันไม่ใช่ทางข้างนอกที่ร่างกายดําเนินไปแต่มันคือทางที่จิตดําเนินไปจิตต้องไม่หย่อนเกินไปถ้าย่อนเกินไปจิตก็ไหลตามกิเลสหลงไปหาอารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ จิตต้องไม่ตึงเกินไปถ้าตึงเกินไปก็บังคับกายบังคับใจเช่นบังคับจะต้องนั่งไม่กระดุกกระดิกเลยนะบังคับมากๆอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าไม่กระดุกกระดิกได้แล้วจะดีไม่กินได้แล้วจะดีไม่นอนได้แล้วจะดีนี่บังคับกายมากไปบังคับจิตมากไปก็จะบังคับไม่ให้จิตคิดไม่ให้จิตนึกไม่ให้จิตปรุงไม่ให้จิตแต่งไม่ให้จิตเคลื่อนถ้าคิดจะห้ามไม่ให้จิตเคลื่อนไปเลยตึงเกินไปงั้นเราไม่ห้ามนะจิตจะเคลื่อนก็ได้ แต่เคลื่อนเรามีสติรู้ทันใช่ไมเราถ้าเราไม่รู้ทันก็หย่อนไปถ้าเราบังคับไม่ให้เคลื่อนก็ตึงไปแต่ถ้ามันเคลื่อนแล้วเรามีสติรู้ทันตรงนี้แหละกลางๆพอดีพอดีจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมานะรู้เนื้อรู้ตัวเมื่อจิตตั้งมั่นเด่นดวงรู้เนื้อรู้ตัวได้แล้วเนี่ยมันจะตั้งอยู่กับจิตจิตเคลื่อนนิดเดียวก็เห็นจิตเคลื่อนนิดเดียวก็เหน็นสภาวะมันจะคล้ายๆอย่างนี้นะสมมุตินิ้วนี้นิ้วชี้อันนี้เหมือนเป็นจิตนะ แ้าจิตมันจอ่นอนะความมันเคลื่อนนะเคลื่อนนิดเดียวสติมันเห็นนะมันเหมือนตั้งบนปลายเข็มนิดเดียวจิตขยับตัวคลิกเดียวนะหลุดออกจากความรู้สึกตัวหลุดออกจากฐานนะจะเห็นละมันจะกลับมาตั้งของมันเองแต่ถ้าบังคับนะไ ม, ไม่ให้ไปไหนเลยจับไว้ให้แน่นนะตึงเกินไปถ้าหนีไปแล้วไม่รู้หย่อนเกินไปตรงจิตทําไมต้องตั้งมั่นอยู่ที่จิตเพราะตรงที่จิตนี่แหละเป็นหัวหน้าของธรรมะทั้งปวง ทำทั้งหลายมีจิตมีใจนี่แหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าทำทั้งหลายสําเร็จได้ด้วยใจคําว่าทำทั้งหลายอกุศลก็เกิดที่จิตที่ใจของเรานี่แหละกุศลก็เกิดที่จิตที่ใจของเรานี่แหละมรรคผลก็เกิดที่จิตใจของเรานี่แหละถ้าเราทิ้งจิตใจของเราไปแล้วนะกุศลเกิดก็ไม่เห็นอกุศลเกิดก็ไม่เห็นมรรคผลนั้นไม่มีทางเกิดเลยเวลาที่อริยมรรคจะเกิดจิตจะรวมลงที่จิต รัสติก็อย่างลงที่จิตปัญญาก็อย่างลงที่จิตคุณงามความดีทั้งหมดเนี่ยประชุมลงที่จิตในจุดเดียวกันนะคือที่จิตในขณะเดียวกันคุณงามความดีทั้งหลายทั้งปวงมันผนึกกําลังลงที่จิตในขณะเดียวกันนะั้นจะเกิดพลงังงานมหาศาลที่ทํำลายล้างกิเลสได้ Order. ถ้าไม่มีการผนึกกําลังตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะล้างกิเลสไม่ได้จริงกิเลสในจิตใต้สํานึกของเรานะอาสวะทั้งหลายอนุสัยทั้งหล่จะไม่กระทบกระเทือนเลย นะครูบาอาจารย์บางองค์ท่านสัมมวนเผ็ดร้อนท่านบอกภาวนาแล้วกิเลสหนังไม่ถลอกเลยเราถลอกเองหนังไม่ถลอกนะงั้นตรงที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตนี่เป็นสมาธิที่สำคัญที่สุดเลยนะเวลาที่เราเนหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าโอเคเราน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์ที่สบายให้จิตได้พักผ่อนแต่เมื่อจิตพักผ่อนแล้วนะเรากลับมาให้จิตตั้งมั่นด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไป จิตเคลื่อนไปอยู่กับแสงสว่างเรารู้ทันมันก็กลับเข้ามาจิตเคลื่อนไปอยู่ในความคิดเรารู้ทันมันก็กลับเข้ามาจิตสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตหรือลักคนูปนิชานเนี่ยเป็นสมาธิสําคัญใช้ทําวิปัสสนา i, รรกรรมฐานแล้วก็เป็นสมาธิในขณะที่เกิดอริยมรรคเป็นสมาธิในขณะที่เกิดอริยผลอารามนูปนิชานที่จิตไปเคลื่อนไปอยู่ที่อารมณ์นั้น ไม่มีทางทำวิปัสสนาไม่มีทางเกิดอริยามรรคไม่มีทางเกิดอริยผลเลยนะเพราะในขณะที่เกิดอริยามรรคจิตเข้าฌานหนึ่งสองสสี่ห้าเจปในตำราก็พูดไว้แต่เขาไม่ได้แจกแจงละเอียดไปพูดในอีกตำราหนึ่ง อ, อ, อีกส่วนหนึ่งนล้วบอกว่าเป็นลักขณูปนิชฌานมีเหมือนกันทิ้งร่องรอยไว้นะแต่ผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเนยจับมาต่อกันไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราต้องมาฝึกสมาธิให้จิตตั้งมั่นให้ได้ถ้าเราไม่ได้ ไม่ได้ทำวิปัสสนามักไม่เกิดผลไม่เกิดนั้นเราวิธีฝึกหลวงพ่อสอนอยู่ทุกคราวที่เจอกันนะว่าทํากรรมฐานอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วจิตเคลื่อนแลอรู้ทันจิตเคลื่อนแลอรู้ทันเคลื่อนไปหลงไปเลยนีหย่อนไปเคลื่อนแล้วไปเพ่งอารมณ์มนใดหนึ่งอันนี้ตึงเกินไปนะไปตือึงบังครับตัวไม่ให้เคลื่อนเนี่ยจะตึงเกินไปถ้าเคลื่อนไปเกาะ อ, อารมณ์นะอันนี้ก็ยังหย่อนไปนั้นเราไม่ให้ตึงไม่ให้หย่อนหนะ้าว่าจิตเคลื่อนแลอรู้จิตเคลื่อนแลอรู้มันจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่ห้ามเคลื่อน ห้ามเคลื่อนตึงไปพอจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยบางคนซึ่งมีบุญวาสนามากเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆจะเห็นขันมันแยกมีเด็กบางคนนะตอนเด็กๆตอนเด็กๆถ้ากระทบอารมณ์ที่แรงกระทบอารมณ์ที่แรงหลวงพ่อขอยกตัวอย่างตัวเองนะไม่รู้จะยกอะไรไม่ได้โอ้อวดนะมันไม่มีปัญญาจะไปโอ้อวดอะไรหรอกเห็นแต่ความไม่ดีของตัวเองมาแต่ไหนแต่ไร ตอนหลพ่อเด็กๆนะสักสิขวบได้ไฟไหม้ใกล้ๆบ้านเราเล่นลูกหินอยู่หน้าบ้านเห็นไฟไหม้ตึกบ้านเป็นตึกแถวนะไฟไหม้ห่างออกไป4ี่ห้าห้องควันพุ่งออกมาไฟพุ่งออกมาตกใจตกใจก็ยังไม่ขาดสตินะความงกมันรุนแรงคว้าลูกหินขึ้นก่อนแล้ววิ่งวิ่งก้าวที่หนึ่งเนี่ยวิ่งด้วยความตกใจก้าวที่สองด้วยความตกใจพอถึงก้าวที่สเนี่ยนะ จิตสติมัาระลึกรู้ความตกใจมันมารู้ตัวที่กําลังตกใจนะความตกใจขาดสะบั้นตรงนั้นเลยจิตรู้สึกตัวขึ้นมาพอมันรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็เดินไปไม่ตกใจแล้วไปบอกพ่อว่าไฟไหมจิตเป็นคนดูเห็นร่างกายเดินไปเห็นร่างกายวิ่งจําไม่ได้ว่าเดินไปบอกหรือวิ่งไปบอกนะแต่เห็นร่างกายมันเคลื่อนไปใจเป็นคนดูเนี่ยธาตุขันมันแยกนะมีพระอีกองค์หนึ่งท่านมาเล่า ว, ว่าตอนท่านเป็นวัยรุ่น ยังไม่ได้บวชไปงานรอยกระทงเขาจุดพลุท่านไม่ทันระวังนะมาจุดอยู่ใกล้ๆท่านความจริงท่านไม่ระวังนะถูกแล้วคือท่านไปยืนใกล้ๆที่เขาจุดพลุเขาไม่ได้ขนพลุมาจุดข้างท่านหรอกท่านไม่ได้ดูเลยก็เดินเดินไปพลุ่มอยู่ตรงนี้พอเขาจุดเปลี้ยงเนี่ยท่านบอกท่านตกใจตกใจท่านเห็นจิตที่ตกใจนะจิตก็ตั้งมั่นพลุบขึ้นมาตื่นขึ้นมาพอมาเรียนกรรมฐานกับหลวงพ่อตอนที่จิตตื่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นม า, มานะแล้วท่านบอกว่าเออนี่มันของเก่า เคยรู้จักมาแล้วเนี่ยบางคนจะมีของเก่านะอย่างที่เจ้าชายสีทัตทะนั้นบารมีท่านมากสามขวบเท่านะั้นของเก่าท่านขึ้นมาแล้วนั้นบารมีท่านมากไม่ได้เทียบกับท่านนะหลวงพ่อเคารพท่านมากที่สุดเลยอันนี้เราพูดกันในทางวิชาการนะพูดถ่ายทอดธรรมะกันเท่านั้นเองไม่ได้คิดเทียบรุ่นเทียบอะไรกับใครหรอกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้านี่นะเคารพที่สุดเลยนั้นบางคนเนี่ย พอจิตตั้งมั่นขันแยกเลยขันจะแยกได้เลยเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตเห็นความสุขความทุกข์ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งเห็นกุศลอกุศลเช่นความโลภความโกรธความหลงเป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตเป็นคนดูเนี่บางคนถ้าเคยฝึกเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆนะขันแยกเลยพอจิตตั้งมั่นขันก็แยกแต่บางคนนะ่ะมันไม่ยอมแยกถ้ามันไม่ยอมแยกนะอย่าไปลำพึงลำพันว่าทําไมคนอื่นแยกแล้วเราไม่แยกเสียเวลา ให้มหาหัดแยกวิธีแยกเราก็มาดูตัวเองว่าเราเหมาะที่จะดูกายหรือดูจิตนะถ้าเราดูกายได้ดูกายแล้วสติเกิดบ่อยแล้วก็ดูกายเป็นหลักถ้าเราดูจิตแล้วสติเกิดบ่อยล้วก็ดูจิตเป็นหลักการแยกธาตุแยกขันธ์แยกมาจากกายก็ได้แยกมาจากจิตก็ได้แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนอย่างพวกเราถ้านั่งอยู่เงี้ยถ้านั่งอยู่นะแล้วลองพยักหน้าเราเห็นร่างกายพยักหน้าไหมใจเราเป็นคนดูไหม ถ้าเราเห็นได้นะอย่างนี้เราแยกกายกับจิตได้นะเียเราลองทดสอบตัวเองนะบางคนพยักหน้าแล้วก็เ hey, มันอะไรวะมาอะไรวะพวกนี้ดูกายไม่ได้ให้มาดูจิตว่ากำลังสงสัยเนี่ยพวกนี้ต้องไปแยกจากจิตก่อนเพราะั้นเราจะเริ่มแยกกายแยกจิตเนี่ยเราดูตัวเองนะถ้าแยกกายได้ก็แยกกายไปถ้าแยกจิตได้ก็แยกจิตไปถ้าแยกไม่ได้นะก็ทำความดีไว้ให้มาก นะอธิษฐานไว้เจอพระสีอันแล้วขอให้ทําง่ายกว่านี้นะไม่เป็นไรพระพุทธเจ้ามีเยอะนะยังมีอีกเยอะนะงั้นเรามาดูนะอย่างขนาดนี้พวกเราหลายคนยิ้มรู้สึกไหมเนี่ยวิธีฝึกนะวิธีฝึกคือทีแรกเราฝึกกจิตไหลไปเรารู้จิตไหลไปเรารู้เพราะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวหลวงพ่ออยากใช้คําว่าจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัว คือจิตที่ตั้งมั่นจิตมีสมาธิชนิดลัคขณูปนิชฌานเนี่ยจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวบางทีร่างกายหายไปจิตก็อยู่กับตัวเองอยู่กับจิตไม่หนีไปไหนหรอกงั้นเรามาให้มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆให้จิตใจอยู่กับตัวเองบ่อยๆหลังจากนั้นค่อยๆสังเกตลงไปร่างกายเมันยิ้มอ้าวทุกคนลองยิ้มดูยิ้มสียิ้มหวานๆ น, นะคิดว่าเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งยิ้มซียิ้ ม, มรู้สึกไหม แค่คิดแค่นี้ก็มีความสุขแถมด้วยคนไหนยิ้มแล้วเห็นตัวเองยิ้มบ้างยกมือสิคนไหนยิ้มตะกี้นี้แล้วคิดถึงลอตเตอรี่แล้วมีความสุขที่ใจแล้วเห็นความสุขที่ใจเนี่ยอย่างเนี้ยถ้าถ้าไม่เห็นกายยิ้มนะแต่ไปเห็นใจนะพวกนี้เหมาะที่จะแยกจิตนะแยกจากจิตถ้าเราเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูได้ล้วก็หัดแยกกายไปก่อน ถ้าหัดยากไก่ไม่ออกดูไงก็ไม่เห็นมันอยู่ที่ไหนว่าอยู่ที่ไหนว่าจะดูยังไงว่รู้ว่ากําลังสงสัยแล้วไปหัดดูว่าความสงสัยกับจิตเป็นคนละอันกันนะค่อยหัดนะไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องพิสดาร น, นะแต่เป็นเรื่องประณีตลึกซึ้งเท่านั้นเองถ้าเคยได้ยินได้ฟังไม่ยากหรอกที่จะฝึกทําไมหลวงพ่อสอนมาถึงจุดนี้พวกเราในห้องนี้ขณะนี้นะจำนวนนับไม่ถ้วนนะที่จิตตั้งมั่นแล้ว แล้วก็จำนวนมากมายเหลือเกินที่แยกขันได้แล้วอันนี้เดาเอานะเดี๋ยวจะว่ารู้ได้ยังไงจะว่าพลากระซิปก็ไม่ได้เลี้ยงลพลใครรู้จักลพลบ้างช้างตัวผู้ไงเห็นไหมร่างกายยิ้มอีกแล้วรู้สึกไหม เ, ออเห็นไหมว่าใจเรามีความสุขเห็นไหมว่าความสุขกำลังหายไปกลายเป็นอุเบกขานะ เนี่ยเห็นไหมพอเราหัดรู้กายหัดรู้ใจได้นะเราจะเริ่มเห็นไตรลักษณ์อย่างพอเราเห็นร่างกายยิ้มเรารู้สึกว่าใจเราเป็นคนดูอยู่ร่างกายกับใจเป็นคนละอันร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นร่างกายไม่ใช่เราเนี่ยมันก็แสดงไตรลักษณ์ละหรือเห็นว่าจิตใจเมื่อกี้มีความสุขจิตใจความสุขค่อยๆลดลงกลายเป็นอุเบกขาเนี่ยจิตใจไม่เที่ยงนะมันจะมีความสุขมันก็สุขของมันเองมันจะเป็นอุเบกขามันก็เป็นของมันเองเราบังคับมันไม่ได้นี่เรียกว่าเห็นอนัตตา เนี่ยเราจะต้องภาวนานะเราพัฒนาตัวเองแยกคัดแยกขันทีนั้ให้จิตตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมหัดแยกาัดแยกขันดูกายดูใจเป็นส่วนๆไปคนไหนดูกายชัดก็ดูไปก่อนคนไหนดูจิตได้ชัดก็ดูจิตไปก่อนอย่างดูจิตชัดนั้นก็เช่นเห็นความโกรธกับจิตเป็นโคนละอันกันเห็นความโลภกับจิตเป็นโคนละอันกันเห็นความฟุ้งซ่านความหดหู่กับจิตเป็นโคนละอันกันจิตเป็นแค่คนดู เห็นความสุขความทุกข์กับจิตเป็นคนละอันการจิตเป็นแค่คนดูนะแต่นี้ถ้าหัดแยกอย่างนี้ได้ก็เรียกแยกแยกนามแยกรูปแยกนามนี้แยกนามแยกนามกับนามคือนมามธรรมหลายชนิดนะถ้าดูจิตใจไม่เป็นเขาดูกายเห็นร่างกายยิ้มเห็นร่างกายเกา่านะคนไหนนั่งแล้วยังไม่เก่าเลยบ้างมีไหมอายากนะหลวงพ่อนั่งอยู่ตัวนี้หลวงพ่อเห็นพวกเราเกากันยุกยุกจิกจิแต่เราไม่ค่อยรู้ตัวหรอก แต่หลวงพ่อไม่ว่าหรวกพ่เข้าใจว่าพวกเรามันสายพันธุ์เดียวกับลิงนะยังไงมันก็ต้องขันต้องเกา่าธรรมดานะไม่ว่าหรอกนะมีความสุขอีกแล้วรู้ไหมนะบางคนเคร่งเครียดรู้ไหมฟังหลวงพ่อแล้วคิดใหญ่อะไรอะไรนะถ้าใจมันกําลังงงกําลังเคร่งเครียดรู้ว่ามันกําลังงงกาลังเคร่งเครียดค่อยๆดูไปความเคร่งเครียดเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าค่อยๆหัดอย่างนี้นะ ว่ามันโกรธขึ้นมาคนไหนขี้โมโหเห็นความโกรธเกิดขึ้นก็ดูไปความโกรธ เ, เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่จิตนี่ก็คือการหัดแยกขัน น, น, นั่นแหละนะหรือดูแยกกายเห็นกายมันยิ้มเห็นกายพยักหน้าเห็นกายหายใจออกเห็นกายหายใจเข้าเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าจําคําว่าจิตไปรู้เข้าท่านนั้นแหละกายก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าความสุขความทุกข์ก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากุศลอกุศลก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า แล้วจิตล่ะใครรู้ก็จิตนั่นแหละรู้จิตแต่มันมีจิตดวงใหม่ไปรู้จิตดวงเก่าที่ดับไปสดๆร้อนๆเช่นจิตดวงหนึ่งไปคิดในขณะที่คิดนั้นจะรู้ไม่ได้เพราะในขณะที่คิดนั้นจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวเมื่อจิตไปรู้เรื่องราวที่คิดแล้วจิตจะมารู้ตัวจิตไม่ได้แต่จิตนั้นเกิดดับรวดเร็วมากนะพอจิตดวงหนึ่งไปคิด เกิดสติขึ้นมามีจิตดวงหนึ่งไปรู้ว่าจิตตะกี้หนีไปคิดนี่มจะเป็นจิตดูจิตนะจิตดูจิตไปเรื่อยแต่ตูตามหลังไปติดๆิดติดติ ด, ตดไม่ใช่เมื่อวานโกรธวันนี้รู้อันนี้ใช้ไม่ได้ห่างกันเกินไปต้องโกรธสดส ด, ส ด, สดร้อนๆ้นะโกรธขึ้นมาหนึ่งนาทีแล้วนึกขึ้นได้ว่าโกรธมันจะเห็นเลยความโกรธกับจิตเป็นโครนันนะเนี่ยหัดรู้หัดดูอย่างนี้เรื่อยไปดูเพื่ออะไรเพื่อวันหนึ่งเราจะเห็นนะ ทั้งกายทั้งใจของเราเนี่ยมีแต่ของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของเป็นอนัตตาร่างกายนี้ดูไม่เที่ยงยากหน่อยนะหน้าตาเรามันเปลี่ยนช้าแต่ถ้าไปดูรูปเมื่อปีกลายจะเห็นไหมดูออกไหมใครเ ค, รครไปดูรูปเมื่อปีกลายบ้างหน้าตาเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนหรอกอยังไงก็ไม่เหมือนนะอย่างน้อยตีนกาก็เพิ่มขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยมีรอยย่นเพิ่มขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยจะมีนะถ้าเป็นเด็กก็ตัวใหญ่ขึ้น ถ้าดูรูปที่ห่างเมื่อสิบปีก่อนยิ่งเยอะใช่ไหมเปลี่ยนไปเยอะรูปเนี่ยร่างกายเนี่ยดูอนิจจังยากนะต้องดูข้างเคียงเช่นเราเห็นร่างกายนั่งนะร่างกายนั่งอยู่ได้ไม่นานนะทนไม่ได้ถูกความทุกข์บีบคั้นก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนอรเงีนะ้ยร่างกายยืนถูกความทุกข์บีบคั้นนะก็อยู่ยืนอยู่ได้ไม่นานต้องไปนั่งอนะไรเงีนะ้ยกลับไปกลับมาร่างกายนีเราจะเห็นตัวทุกข์ง่ายกว่า ตัวอนิจจังมันแก่ได้ช้ากว่าจิตจิตน่าเกิดเมื่อไหร่ก็ดับเกิดแว บ, บเดียวก็ดับเกิดแวบเดียวก็ดับแต่ร่างกายอายุยืนกว่าจะดูร่างกายเป็นอนิจจังดูยากให้เราดูร่างกายเป็นตัวทุกข์ไว้นะร่างกายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเรานั่งอยู่ก็ทุกข์ใช่ไหมนั่งเดี๋ยวก็คันเดี๋ยวก็เกาเดี๋ยวก็เมื่อยขยับไปขยับมาเนี่ยความทุกข์มันบีบคั้นถ้าจิตใจเราอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วเราก็รู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆ ใจเราเป็นแค่คนดูแล้วเห็นในร่างกายเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดตรงที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเรียกว่ามีสมรริที่ถูกต้องตรงที่เราเห็นร่างกายกับจิตใจมันแยกออกจากกันนะเนี่ยเป็นการเดินปัญญาขั้นต้นแยกรูปแยกนามนะถ้าตรงที่เราเห็นว่าร่างกายตกอยู่ใต้ใจรักอันนี้แหละคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะเป็นสเต็ปนะปัญญายังมีสองขั้นปัญญาก่อนถึงวิปัสสนากับปัญญาที่เป็นวิปัสสนา ปัญญาก่อนวิปัสนาเนี่ยการหัดแยกกายแยกใจเป็นส่วนๆเนี่ยเป็นปัญญากรอนที่จะถึงวิปัสนาตรงวิปัสนาเนี่ยจะเห็นว่าทุกส่วนที่เราแยกออกมาเห็นนั่นแหละตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ถ้าเห็นไตรลักษณ์ถึงจะเป็นวิปัสนานะงั้นเราต้องค่อยๆฝึกกแรกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวพระจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็แยกธาตุแยกขันธ์เห็นกายกับใจเป็นคนละอนเห็นสุขกับทุกข์กับใจนะก็เป็นคนละอนเห็นดีชั่วกับจิตใจเป็นคนละอน เห็นจิตที่วิ่งไปทางตากับจิตที่วิ่งไปทางหูกับจิตที่วิ่งไปคิดก็เป็นคนละอันให้หัดดูอย่างนี้เรื่อยๆดูบ่อยๆนะต่อไปมันก็จะเริ่มเห็นทุกอันนั่นแหละตกอยู่ใต้ใจรักร่างกายทุกขณะนะร่างกายที่หายใจออกก็ทุกร่างกายหายใจเข้าก็ทุกร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็ทุกจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงความสุขเกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับมีแต่ของไม่เที่ยง โรคปลด ล, ล, ลงอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับไม่มีอะไรที่เกิดแล้วไม่ดับในใจเราเกิดแล้วดับอย่างรวดเร็วนะตลอดเวลานี่เห็นความไม่เที่ยงในจิตใ จ, ใจนี่เราดูอนัตตาได้ง่ายนะดูอนิจจังกับอนัตตาง่ายในเรื่องจิตทางร่างกายเนี่ยดูทุกง่ายนะจิตใจดูเป็นอนัตตาเราก็จะเห็นเลยจิตมันจะสุขมันก็สุขของมันได้เองจิตจะทุกข์มันก็ทุก ข, ข์ของมันได้เองเราสั่งไม่ได้จิตจะดีก็ดีของมันนะจิตจะชั่วก็ชั่วของมันเราสั่งไม่ได้ แต่มันไม่ได้เป็นแบบไม่มีเหตุมีผลนะมันเป็นไปตามเหตุของมันซึ่งเราไม่สามารถควบคุมเหตุนั้นได้อย่างเรามีอนุสัยเรามีนิสัยขี้มโมโหเป็นพื้นฐานอยู่เราไปกระทบอารมณ์ที่ไม่ดีที่ไม่พอใจเรามีการคิดการตรึกถึงเรื่องราวที่ไม่พอใจความโกรธต้องเกิดยังไงก็เกิดเราห้ามไม่ได้แต่เพราะอะไรความโกรธมันมีเหตุมันก็เกิด พอหมดเหตุมันก็ดับไปเช่นขณะที่เราคิดถึงคนคนนี้เราโกรธมากพอดีหันไปเห็นเพื่อนเราเดินมาเราลืมคิดเรื่องที่โกรธความโกรธจะหายไปเลยเพราะเหตุของมันดับไม่ใช่เพราะกูเก่งนะแต่ว่าเพราะเหตุของมันดับเนี่ยเรามาหัดดูในใจเราจะเห็นเลยมันตกอยู่ใต้อนาตตาด้วยนะเราบังคับไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปตามเหตุที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นั่นคือการเห็นอนัตตา ถ้าร่างกายนะดูทุกข์ได้ง่ายนะจิตใจดูอนิจจังก็ดูอนัตตาได้ง่ายบังคับไม่ได้อนาตตาอนิจจังหมายถึงมันมีแล้วมันก็หายไปเนะนี่ยหัดดูมากๆนะเรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานการเจริญปัญญาเมื่อปัญญาของเราแก่รอบในขณะที่เราเดินปัญญานะอย่าลืมว่าจิตต้องตั้งมั่นถ้าจิตเคลื่อนไปไม่เป็นปัญญาแล้วเป็นการคิดเอาไม่ใช่รู้เอาถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูเหมือนเรายือนอยู่บนบก เห็นอะไรผ่านไปในแม่น้ำเรือผ่านในแม่น้ำเราไม่โดดลงน้่างนี้ถึงใช้ได้ถ้าเราตกน้ำเราใช้ไม่ได้แล้วนเราเวลาที่เราดูรูปธปรรมนามธรรมนะเราต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นที่ยํานักยําหนาคือตัวนี้นะพอจิตตั้งมั่นล้าก็ดูรูปธรรมมันทำงานก็จะเห็นว่าเออมันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานี่คือปัญญา อาจิตตั้งมั่นแล้วดูนามมาทําทํางานก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันบังคับไม่ได้นี่แหละคือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยคือการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาของรูปประทับนามธรรมา ท, ทั้งหลายเมื่อเห็นมากข้ามากข้าจะเกิดอะไรขึ้นพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจึงหลุดพ้นเพราะหลุดพ้นจึงรู้ว่าหลุดพ้นแล้วนะไม่ยึด ถ, ถือมันหลุดพ้นจากอะไร นะหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสที่ห่อหุ้มใจเราอยู่คล้ายๆมันถอดเปลือกออกนะสลัดเปลือกออกทิ้งไปหลุดพ้นจากอาสวะได้เพราะไม่ถือมั่นในรูปธรรมาำนำมามธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ยึดอะไรในโลกนั่นแหละคือทางดําเนินเั้นก่อนที่เราจะไม่ยึดได้เราต้องมีปัญญาซะก่อนก่อนจะมีปัญญาเราต้องมีจิตที่ตั้งมั่นแล้วมาเจริญวิปัสสนานะถ้าไม่มีจิตตั้งมั่นทำวิปัสสนาไม่ได้พอไหวไหม ต้องทำนะทํำเราไม่ยากหรอกหลวงพ่อนะคุยอวดสัดหน่อยตอนนี้คนภาวนากับหลวงพ่อภาวนาเป็นให้เยอะมากเลยนะเยอะมากเลยแปลว่เปล่าไปหมดพวกเรารู้สึกไหมเราเปลี่ยนใครรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนยกมือสิโ <c oughs> อ้โหโอ้โหเนี่ยถ้ามาดูที่หลวงพ่ อ, อจะรู้สึกว่าน่าทึ่งที่ยกมือมาหลวงพ่อเห็นนะเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเราดูหน้าก็รู้แล้ว แต่ละคนนะถ้าคนไม่ได้ภาวนาภาวนาไม่เป็นนะหน้าตาอย่างนี้นะหน้าตาดูไม่ได้เลยพอภาวนาเป็นนะสดใสสดใสแช่มชื่นเบิกบานแล้วก็สงบสังเกตไหมจิตใจพวกเรามีความสุขแต่สงบนี่ลักษณะของธรรมะของพระพุทธเจ้านะสงบแต่ร่าเริงไม่ใช่สงบง่อยๆ น, นะสงบนะี <c oughs> อย่าภาวนาเลยไปโงบาลโลกจิต ด, ดีกว่า <c oughs> สงบแต่ร่าเริงธรรมะเป็นของร่าเริงนะอย่างธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยลักษณะการแสดงธรรมของท่านนะอันแรกท่านแจกแจงให้เรารู้เรื่องราวอันที่สองท่านชวนให้ปฏิบัติท่านไม่บอกให้เชื่อนะท่านชวนให้ปฏิบัติอันที่สท่านให้กําลังใจให้เราปฏิบัติอันที่สท่านปลุกใจพวกเราให้ร่าเริงด้วยธรรมะงั้นฟังธรรมะถ้าฟังธรรมะแท้ๆแล้วจะร่าเริงฟังธรรมะแล้วจะไม่หงอยหรอก ปางแล้วโรคจิตขึ้นไม่ใช่หรอกนะพอไหวไหมลองหัดดูหลวงพ่อยอมเสียเวลาสองนาทีพวกเราลองทำสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นนะจิตเคลื่อนเรารู้จะลืมตาก็ได้จะหลับตาก็ได้ไม่สำคัญสำคัญที่รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปลองดูนะลองดู อ่ะค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมานะค่อยค่อยรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็ลืมตา ม, มาฟังต่อตอนที่นั่งนะส่วนใหญ่ทำได้นะเกือบทั้งหมดทำได้ส่วนหนึ่งก็นั่งคิดเอาไม่ยอมทาก็มีนิดหน่อยไม่มากกลับบ้านไปหัดเอานะไม่ใช่เรื่องยากหรอกแบ่งเวลาทุกวันแบ่งเวลาหัดสมาธิชนิดนี้บ้าง แต่ถ้าวันไหนจิตฟุ้งซ่านทำสมาธิชนิดสงบนะแบ่งเวลาไว้ก็ได้ทุกวันทาสมาธิสงบสักสินาทีหานาทีนะแล้วมาฝึกสมาธาิตั้งมั่นทำได้สองอย่างดีที่สุดถ้าทำความสงบไม่ได้เดินปัญญารวดไปด้วยสมาธาิตั้งมั่นจิตจะแห้งแรงหน่อยแห้งแรงรำเข็นในการทำวิปัสสนานะเหน็ดเหนื่อยมากแต่ก็ไปได้ไปได้ เอาละพอสมควรนะมีใครจะถามไหมนี่ได้ข่าวว่าไม่ค่อยมีคนถามเป็นเรื่องดีมากเลยถามธรรมการหลวงพ่อจ้ะค่ะอยู่ไหนอยู่ไหนว่าไงโดยโดยรวมปฏิบัติทุกว<ด><ค>ันจ้ะค่ะ ปฏิบัติทุกวันตั้งใจว่าจะปฏิบัติบูชาคุณพุทธเจ้าปฏิบัติบูชาหลวงพอ่อแล้วก็ช่วงนี้รู้สึกตัวเร็วขึ้นเวลามีโกรธมีอะไรก็จะรู้เท่าทันทำให้ความสืบเนื่องที่จะโกรธต่อไปมันสั้นลงนะ้ค่ะก็ไม่ค่อยสงสัยอะไรก็ดูไปน ะ, ะสภาวะทั้งหลายสภาวะอะไรก็ได้บางวันเราภาวนาก็าสว่างสวยัยถ้าสว่างเราก็รู้ด้วยความเป็นกลาง วันนี้ภาวนาแล้วมัวมัวดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วก็เป็นกลางอย่าไปเกลียดมันสภาวะทั้งหลายนะเท่าเทียมกันในขั้นทำวิปัสสนานะเราะนั้นจิตใจสว่างแจ่มใสกับจิตใจมืดมัวเนี่ยเท่าเทียมกันในด้านไตรลักษณ์ขนาดนี้สว่างไหมหรือมืดมัวใช่ไหมคะก็ถ้าจิตมัวมัวก็ให้รู้ทันว่ามัวอย่าไปเกลียดมันนะอรู้อย่างที่มันเป็น เราเราจร <ะ S 1> ิญปัญญาเนี่ยเพื่อให้จิตยอมรับความจริงว่าทุกอย่างตกอยู่ใต้ใจรักเท่านั้นแหละถ้าจิตเรายอมรับความจริงว่าทุกอย่างมันตกใต้ใจรักเราไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในกายในใจไม่เดือดร้อนหรอกโลกก็อยู่ห่างหางออกไปใช่โ ล, <ห>โลกก็อยู่ห่างห่างโลกก็ทุกข์ของโลกนะแต่เราไม่ทุกข์ไปกับโลกก็มีบ้างบางครั้งะค่ะนั่นเพราะเราไปอยู่กับโลกธรรมดานะใจมยังไม่ได้เป็นพ้นโลกไป ใจ พ, พ้นโลกก็พ้นเป็นลําดับลําดับพระโสดาก็ยังทุกกับโลกพระสัททาคายังทุกกับโลกพระนาค า, า, า ก, ก็าาาาติดโลกเป็นโลกละเอียดกราบหลวงคุณพ่ะย่ะครับกรนมัสการหลวงพ่อครับครับพอดีเป็นครั้งแรกที่เพิ่งได้ได้มาฟังธรรมหลวงพ่อนะครับก็คําถามในใจวันนี้ก็หลวงพ่อได้ได้เทศและตอบไปหมดแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณพี่นอพอดนะฮะที่แนะนํา ว่ามีครูบาอาจารย์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแนะนำให้มากราบแล้วก็แนะนำให้ส่งกันบ้านนะครับซึ่งเข้าใจว่ากันบ้านวันนี้ก็หลวงพ่อได้ตอบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็ได้มากราบหมดความสงสัยในพูทศาสนาพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสาธาระเป็นปัจจุตงังรู้และปฏิบัติได้ด้วยตัวเองนิมสาทุ จิตถึงฐานไหมไม่ถามสงฆ์พ่อถามเองครับก็จิตตอนนี้ตั้งมั่นถึงฐานไหมหรือจิตกระจายออกนอกครับสว่างว่างว่างออกข้างนอกไหมก็ตั้งมั่นอยู่นะครับก็เท่าที่ปฏิบัติมาก็พิจารณาถึงไตรลักษณ์รู้ทุกข์ของจิตรู้ความเป็นอนิจจังแล้วก็รู้ว่าไม่สามารถคึดได้เป็นตัวตนของเราขนาดนี้ตั้งพอดีหรือตั้งแรงไป ที่ผ่านมานี้มีความรู้สึกว่าตั้งพอดีตอนนี้เอาที่ตั้งแรงไปนิดนึงตอนนี้อยู่พอดีแล้วครับแรงไปหน่อยนะครับยมันยั ง, งจงใจอยู่ก็ให้รู้ทันคุณทำภาวนานดีนะครับแต่ว่าระวังเรื่องสมาธิชนิดที่ไปควบคุมตัวเองแรงไปนิดนึงคร่งเดี๋ยวมันจะเห็นทุกอย่างเป็นไตรลักแต่จิตมันนิ่งครับถ้าจิตไม่ยอมแสดงใจรักก็ยังไม่ดีหรอกครับไนะ่อยๆปล่อย ถ้าเราไม่ไปบังคับไว้นะมันถึงจะแสดงใจรักษแต่ถ้าเราไปเพ่งเันจะนิ่งๆแน่นๆอยู่นิดหนึ่งตึงอยู่นิดหนึ่งอย่าเงี้ยจิตจะไม่แสดงใจรักแต่ตัวอื่นแสดงนะค่อยๆปรับตัวนี้แหละมาสการกับธรรมมาสการหลวงพ่อครับคือส่งกันบ้านครั้งที่สามในรอบสาปีครับครั้งแรกหลวงพ่อให้ดูกายครับตอนนี้ผมยังติดเพ่งอยู่ครับ ถ้ามันแน่นก็เพ่งนะถ้าไม่แน่นก็ไม่เพ่งหรอกมีไหมแน่นหรือหน่อ ย, ยหนึ่งไหมยังแน่นอยู่ครับเอ่อใช่ไหมเราตอบได้ด้วย ต, ตัวเองหลวงพ่อจะสอนหลักให้ก็ขอกันบ้านหลวงพ่อเพิ่มครับไปฝึกนะวันนี้ที่มันแน่นเพราะว่าตื่นเต้นอะ่ะแท้ใหม่ธรรมดามดีกว่านี้รเราไปดูจิตเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงศีลรักษาได้ดีไหมศีลดีครับนะตั้งใจรักษาไปนะแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวได้ฝึกซ้อมทุกวันไหม อันนี้ไม่แน่ใจครับแต่ <ทำ S 2> พยายามทำในรูปแบบไหมบ้างครับทำนะทาให้สม่ําเสมอการปฏิบัติเนี่ยที่คำว่าสม่ําเสมอเนี่ยจําเป็นมากเลยจุดอ่อนของคารวาสที่หลวงพ่อเห็ น, นมีสองข้ออันหนึ่งคือสมาธิไม่พอจิตจะฟุ้งออกนอกไปอีกอันหนึ่งก็คือทําให้สม่ําเสมอทําทําหยุดหยุดการที่จะเห็นแจ้งไตรลักษณ์เนี่ยจะยากเอาคุณถ้าทําสม่ําเสมอคุณจะดีกว่านี้อีกเยอะเลย ที่ทําอยู่นี่ยถูกแล้วล่ะก็วันนี้ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองกลัวไหมก็กลัวค่ะกลัวแล้วทํายังไงก็รู้ว่ากลัวรู้จริงหรือรู้แล้วทำไมกลัวห้าว่ามาก็ดูจิตระหว่างวันนะคะคือเหมือนรู้สึกว่ามันจะมีตัวละครตัวภาคอะค่ะเยอะแยะเลยห้าไม่ได้นะ ตัวภาคเนี่ยฝึกหลายปีเลยกว่าจะเลิกพูดจิตมันมีธรรมชาติเป็นแบบนั้นแหละอย่าไปห้ามมันมันภาคก็แค่รู้แต่อย่าไปเชื่อมันเท่านั้นแะเราก็คแค่รู้รแค่เห็นก็คือให้รู้ว่าภาคเนี้ยคะ่ะก็แค่รู้ว่ามันพูดได้เองทีหลังงั้นพูดใส่หน้ามันไปเลยนี่แกพูดได้เองมันจะได้กลัวเราฝึกหลายปีนะกว่าจะเลิกภาคฝึกนานถ้าเลิกภาคเราสบายไม่หนวกหู ครับนมันส ก, การของพ่อครับไม่ได้มาส่งกันบ้านหลายปีครับอืทําปฏิบัติมาโดยตลอดะครับแล้วก็ทําในรูปแบบด้วยอตอนหลังจะเห็นว่ามันมันเบื่อโลกอะนะครับมันเบื่อมากจะให้ความเบื่อครอบงําจิตได้นะเบื่อก็ให้รู้ไปเหมือนรู้ความโลบความโกรความลาหลงอื่นๆนั่ น, นแหละ ก็เห็นเป็นสภาวะหนึ่งเป็นใจลักเหมือนกันถ้ามันครอบงําจิตได้ไม่ดีถ้ามันไม่ครอบงําจิตมันเป็นทางฐ่านที่ทุกคนต้องผ่านอยู่แล้วละความเบือ่อแต่อย่าให้ครอบงําเอไม่ทราบว่ามีอะไรต้องไหกไาร<ข>ครอบงําจิตได้นะอย่าให้มันครอบงําให้รู้ทันว่าใจใจเราถูกมันครอบงําอยู่ให้ดูเข้าไปตรงๆเลยว่ามันครอบงําจิตเราได้ถ้ารู้ทันตรงๆมันก็ครอบไม่ได้ เขาไม่ได้จิตก็เข้าไปสู่ความเป็นกลางมากขึ้นมากขึ้นโลกนี้น่าเบื่อพระเจ้าถึงสอนเนยเพราะเห็นตามความเป็นจริง จ, งจึงเบื่อหน่ายใช่ไหมเราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นและความเบื่อเนี่ยอยู่ในเส้นทางที่ต้องเจอแต่เวลาเบื่ออย่าให้มันครอบจิตได้ถ้าครอบจิตได้เราจะไม่ผ่านไปก็ติดอยู่แค่นั้นนานนานไปเราทนไม่ไหวเราก็เลิกปฏิบัติ ให้รู้ทันพอดีใช้ได้ต้องอย่างนี้เลยอย่าให้มันครอบวันนี้พอดีพาครอบครัวมาด้วยนะครับภรรยากับลูกนั่งอยู่ข้างหลังศาลากรากบขอให้หลวงพ่อชี้นแนะด้วยครับไหนภรรยา ย, ยกมือข้างหลังศาลาเลยครับน่าจะสิแค่ยกมือหน่อยภรรยายเราเยอะขนาดนั้นเ <laughs> ชียวเหรอ <laughs> ภรรยาคนเดียวครับกับลูกสามคนบอกอยู่ข้างหลังศาลาเยอะแยะเลยข้างหลังห <laughs> ลวงพ่อไม่รู้นี่คนไหน <laughs> อยู่ไหนยกมือสิภรรยาและลูกอุ้ยอยู่โน้นน่ะดูไปไม่ถึงหนอกไกลเหลือเกินไดนะ้สอนเอาเองนะไม่ก็มาให้คุณมารีนี่เขาสอนให้นะใครจนหลวงพ่อมองด้วยตาไม่เห็นน ะ, อ, ะนอยู่ศาลานน้นนะไม่ใช่ศาลานี้นะ อยู่ศาลานูน้นนึยกมือแล้วต้นไม้ก็าบังด้วยอ่ะกลรบมัเทศการหลวงพ่อค่ะค่ะวั น, นวันนี้ตั้งใจจะมาถามแต่ที่หลวงพ่อเทศให้ฟังก็อพอรู้แล้วค่ะนี่ก็อยากจะให้หลวงพ่อบอกว่าถ้าเกิดทาทาอยู่ในทางแล้วต้องทำยังไงต่อถ้าเกิดติดไข้ไก่ค่ ะ, คะทำถูกแล้วทำให้มากมทำไปเรื่อยๆบ่อยๆไม่ลาเลย ไม่หวังผลว่าจะต้องได้เร็วนะถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยก็ดีเองไลยเวลานี้จิตถึงฐานไหมจิตไม่ถึงฐานเพราะตึงแต้นมากค่ะปกติมันอยู่ข้างในไหมถึงฐานไหมตรงนี้เหมือนปกติไหมลองหายใจสิเอาความรู้สึกตัวนะจับข้อที่ลมแล้วก็หายใจเอากลับเข้ามาหายใจสักครั้งสองครั้งเท่านะั้นไม่ทำมากพอละเพ่าละถ้ามากกว่านี้จะแน่นนะ ฝึกอย่างนี้นะให้ใจมันเข้าบ้านถ้าธรรมดาก็ก็จะเบาๆแบบนี้ได้เออถ้าอย่างนี้ถูกแล้วถ้าอย่างนี้เราก็เดินปัญญาต่อดูกายเขาทํางานดูใจเขาทํางานนี่ไม่ร่างกายพยักหน้าไม่ใช่ตัวเราค่ะบางคนขันมันแยกแล้วล่ะมันไม่ยากแล่ะเพราะบางครั้งหนูจะเห็นว่ามันมีอะไรเกิดดับบั๊บบนั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละดีเห็นก็เห็นนะไม่เห็นก็ไม่ชักไม่ว่ามัน นะไม่ใช่เราต้องเห็นเองถ้าบังคับให้เห็นไม่ไม่ได้ผลค่ะงานส ก, การของพ่อค่ะรู้สึกตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้นี่จิตมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาหลายอย่างแต่ตอนนี้รู้สึกว่าดีกว่าตอนนั่งแรกๆค่ะก็รู้สึกว่าตัวเองเนี้ยที่ปฏิบัติที่ผ่านมาช่วงเดือนสองเดือนเนี้ยมันหลงละฟุ้งเป็นพื้นเลยคิดเล็กเลยแล้วก็ ตอนช่วงหลังๆนี้รู้สึกถูกกิเลสครอบเยอะกว่าที่จะชนะมันได้แรกๆ ร, รู้สึกมันจะดีเหมืนนี้ถ้ามันฟุง้งเราก็ต้องทําความสงบเข้ามาบ้างน ะ, ะพุโทโธไปหายใจไปให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธสงบอยู่กับลมไม่หนีไปที่อื่นองนี้แล้วก็ต้องต้อ ง, องมีวินัยนะทำบ้างไม่ทําบ้างไม่ดีต้องมีวินัยในตัวเองทําสม่ําเสมอตอนนี้นี่ก็ทําค่อนข้างสม่ำเสมอแล้วก็ ยังสวดมนต์เกือบทุกวันแล้วก็จะจะมีที่เว้นน้อยมากแล้วก็ทําปฏิบัติในรูปแบบเนี้ก็คือเดินจงกรมรับบริการไประหว่างเดินจงกรมระหว่างนั้นเนี่ยคือส่งกันบ้านหลวงพ่อก่อนหน้า น, นี้มาสองสครั้งหลวงพ่อก็จะบอกติดติดกันเลยว่าฟุ้งเหลันยอมก็เล ย, เยสงสายต้องใช้ไม้ตายใช้ทําความสงบลงไปบ้างแต่เท่าที่ทํามาก็ไม่เคยสงบเลยไม่เป็นไรมีหน้าที่ทํานะ uh huh. ส่วนสงบหรือไม่สงบเป็นเรื่องของจิตแต่มีหน้าที่ทำเท่านั้นแหละ แต่รู้สึกเหมือนในบางจังหวะมันจะรู้ได้ดีกว่าก่อนก่อนหน้านี้แล้วรู้สึกว่าหนูทำนะหนูทาอีกนะสมาธิหนูไม่ค่อยพอมันฟุ้งง่ายที่จริงมันเป็นทางกายด้วยนะมันเป็นไฮเปอร์แอคทีฟเพราะงั้นเราต้องช่วยมันนิดหน่อยทางความสงบบ้างอะไรบ้างมันไม่ใช่จิตผิดปกติหรอกแต่ว่ามันเป็นไฮเปอร์แอคทีฟตอนนี้ยังอยู่ใน ดี่ดีกว่าแต่ก่อนถือว่าใช้ได้นะขอพูดค่ะ ก, กล่าวณสกาลพระอาจารย์ครับครั้งที่แล้วผมส่งกคนบ้านท่านบอกว่าเวลาปฏิบัติยาอย่ากคิดนำตามที่ให้กันบ้านครั้งที่แล้วนะครับผมก็ตอนนี้ต้อเข้าใจว่าน่าจะคิดนำน้อยลงนะครเพราะว่าก็อย่างที่อ า, อาจารย์แนะนํานะครับตอนนี้ก็เห็นสภาวะที่ละเอียดขึ้นนะครับเป็นวันนั้นปฏิบัติแล้วเห็น จิตเนี่ยไปคลุกกับอารมณ์อหลังจากนั้นมันก็เกิดก้อนอะไรที่หน้าอกขึ้นมาแล้วมันก็ทุกข์ขึ้นมาเลยครับอย่าไปเกลียดมันนะครับถ้าไปเกลียดมนะันนไม่หลุดหรอกรต้องเป็นกลางไอ้ก้อนกลางหน้าอกเนี่ยตอนหลวงพ่อหัดใหม่ๆนะไปตีกับมันนะหาทางทําลายมันพอทําลายมันแล้วจิตตั้งมัน่นรักษาจิตเอาไว้เรื่อยๆอย่างเงเี้ยเป็นสงการามบ้านหลวงปู่นื่ว่าท่านจะชมนะท่านบอกอยังไม่ได้ดูจิตเลยมวัวจะไปยุ่งกับอาการของจิตไปแก้อาการ อยากข อ, อกัดบ้านจากหลวงพ่อครับปฏิบัติต่อไปทำปตอนจากนี้นะจิตเข้าไปรวมเป็นก้อนเกบไอ้ก้อนนี้รู้ว่ารวมจิตแยกออกมารู้ว่าแยกนะถ้ารวมแล้วไม่พอใจรู้ว่าไม่พอใจแยกแล้วพอใจรู้ว่าพอใจนะแต่ต้องรู้จนถึงเข้าเข้าขั้นที่มันเป็นกลางรวมก็ได้แยกก็ได้นะเราก็จะฝึกไปเรื่อยเราจะเริ่มเห็นมันจะไหลไปรวมเราก็ห้ามไม่ได้ มันจะแยกเราก็สั่งไม่ได้รักษาไม่ได้มีแต่อนัตตาพอรู้สึกว่ารวมปุ๊บมันจะทุกข์แล้วมันจะนันขึ้นมาเ อ, อเราจะเกลียดมันหนักเลยนะไม่เป็นกลางถ้าเป็นกลางนะต่อไปจะเห็นเลยเวลามันแยกออกมานะเราก็ไม่ได้สั่งนะแล้วก็พอแยกแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้ไปรวมห้ามมันก็ไม่ฟังมันจะรวมรวมแล้วสั่งให้แยกมันก็ไม่แยกมีแต่คาให้ทําไม่ได้นะ ที่เราหัดภาวนากันแทาเป็นแทบตายไม่เชื่อเพื่อเอาเดียเอาสุขเอาสงบหรอกแต่เพื่อให้เห็นว่าสภาวะทั้งหลายนั้นมันเป็นไตรลักษณ์อย่างนี้ถ้าเห็นอย่างนี้ก็คือเห็นว่ามันบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาไม่ใช่ฝึกเพื่อจะบังคับมันใจลอยไหมที่ส่งกันบ้านไปแล้ว <c oughs> ลอยหมดเลยอะ่ะกานิมิตการใช่ค่ะเออ วันนี้ที่ตั้งใจจะส่งการบ้านหลวงพ่อได้เมตตาตอบในส่วนของการบ้านคื อ, อจะมีเห็นความทุกข์ทางกายเยอะแล้วก็เห็นจิตที่ไม่สามารถควบคุมได้นะคะ uh huh. วันนี้เนี่ยมีคําถามที่จะถามก็คือการส่งการบ้านครั้งที่แล้วหลวงพอ่อเมตตาบอกว่าหนูติดประคอง uh huh. ก็เข้าใจว่ายังติดประคองอยู่และทุกครั้งของการติดประคองเนี่ยก็พยายามอยากจะผ่านตรงนั้นให้ได้ด้วยความพยายามในบางครั้งก็จะแน่นที่หน้าอก ละบางครั้งก็รู้สึกโป่งโล่งเบาคําถามที่ถามก็คือการโป่งโล่งเบาตอนนั้นเป็นการประคองที่ติดหรือมันปล่อยวางจริงนะคะคือตอนนี้นะตอนนี้มันปล่อยได้แต่ว่าต่อไปพอมันชินกับภาะวะโป่งโล่งเบาเราจงใจรักษาไว้อันนี้จะไปติดมันอีกทีตรงที่มันแน่นขึ้นมาเนะี่ยถ้าเรารู้มันใจเป็นกลางมันจะหลุดของมันเองนะเพราะอะไรเพราะสภาวะที่แน่นก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะี่ย มันจะหลุดเองนี่พอหลุดเราชักจําได้พอหลุดเรามาแล้วมันโล่งมันว่างแบบนี้นะเลยไปประคองไปรักษาอันเนี้ยไปติดอีกฝั่งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็รู้สึกค่ะรู้สึกว่ามันจะโปร่งโล่งแล้วเป็นการติดซึ่งเห็นอาการแบบนี้บ่อยมากอย่างนี้<า>นติดนะ<ะ>ถ้าถ้าเป็นเนี่ยตอนนี้เริ่มติดนะเราจะปล่อยให้มันเลิกติดติดหรือไม่ติดเนี่ยดูที่ตรงนี้นะจิตมีโลภะมีราคะขึ้นมาเนี่ยเรารู้ไหม ถ้าจิตไปอยู่ในความว่างแล้วเราพอใจอรู้ว่าพอใจนะมันจะไม่ติดหรอกที่มันติดนะเพราะรู้โอ้ดีจังเลยสบายจังเลยเนี่ยไปอยู่อย่างนี้นะใช่นึกออกไหมเนีย่ยที่หลวงพ่อทําหน้าให้ดูค่ะแล้วก็จะค่ะหลวงพ่อมีการบ้านหนูหนูไปดูใจที่พอใจในอันนี้ตอนเป็นก้อนใจเกลียดค่ะตอนว่างๆพอใจ ถ้าจะเกลียดนะก็เข้าไปจับนะจะพอใจก็เข้าไปจับให้รู้ทันไหมถ้ามันจะเป็นกลางถ้าเป็นกลางมันหลุดหมดเลยแล้วจิตพอพัฒนาขึ้นบ้างไหมพัฒนากว่าแต่ก่อนเยอะเลยดีกว่าแตก่อนการจำสถานการครับหลวงพ่อในรูปแบบในสมาธิก็ยังมีแสงเป็นอารมณ์อยู่นะครับเออได้แล้วก็เข้าใจว่าตัวเองบางทีก็รวมๆมไปเป็นอรูปไปเลยก็เข้าใจว่าหลุดไปอยู่อย่างนั้นก็มีครับ ในสภาวะประจําวันเจริญสติในประจําวันก็เห็นตัวเองเป็นสภาวะของกลุ่มก้อนอารมณ์มากขึ้นเ อ, เ, อเห็นมันเหมือนกับกลุ่มก้อนของพลังงาน<อ>แม้กระทั่งผู้คนคนอื่นก็รู้สึกเปกลุ่มก้อนเหมือนกันก็มีส่งกระแสกันไปส่งกระแสกันไปแลรู้สึกตัวเองรับอารมณ์ของคนอื่นจากการเข้าใจว่าผมมีอะไรตัวหนึ่งเหมือนกับทวนอารมณ์นิดนึงก่อนที่สัญญาจะเกิดแล้วผมไปเห็นในตัวเนี้ยมัน ทำงานเรื่อยๆมันมันไหวขึ้นมานะครับรวังไหวตัวนั้นมันไหวขึ้นมาก่อนที่จะขึ้นมารับข้างบนครับตัวนั้นเขาเรียกว่ารวังคจรณะมันเริ่มไหวขึ้นมาแล้วครับก็เห็นอย่างนี้ตลอดก็เริ่มเห็นฝังนะฮะว่าคงมีฝั่งให้เห็นได้ไม่ไกลแล้วครับตรงไปตรงมาเลยนะครับอย่าคิดนํานะครับปัญญายังล้ําอยู่ครับเพราะว่ามันเริ่มมองไปข้างหน้าแล้ว ว่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะให้เดินไปโง่ โ, งโงดูของเราปัจจุบันไปด้วยนะแต่มันก็มีติดว่างอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะฮะก็เหมือนกับไหลเองติดไหลไปเรารู้ว่าไหลใช้ได้นะครับไปอยู่ในว่างถ้าไม่ได้ยินดีพอใจเข้าไปพักเฉยๆออกมาจากว่างมาเดินปัญญาต่อใช้ได้นะแต่ถ้าไปอยู่ในว่างแล้วยินดีพอใจไม่รู้ว่ายินดีพอใจอันนี้ถึงจะติดว่าง เงันจะติดหรือไม่ติดเน่ยอยู่ที่ว่าจิตมีโลภะเรารู้หรือไม่รู้ถ้ารู้ทันไม่ติดออกอันนี้ก็เหมือนสุกปลอมๆใช่ไหมฮะว่างๆรู้สึกมันมันก็สูงนะถ้าเทียบกับกามัสุขรู้สึกไหมมันเหนือชั้นกว่ากามันสุขมันเหมือนไม่อยากได้กามแล้วใช่กามวางได้แล้วครนะตัวนี้มันเข้าไปถึงรูปประราคะรูปประราคะอะไรนั้นครับกามนี้เป็นเรื่องเล็กเลยครับนะเดี๋ยววันนี้ภรรยาได้ยินก็ตกใจเหมือนกามวางได้แต่ว่ามันเหมือนกับ ถ้าไม่มีอะไรไหวก็ไม่<า>รู้สึกอะไรกับมันนะฮะภรรยาไม่ต้องตกใจมัน ว, วางช่วคราวเท่านั้นครับแต่ก็ดีขึ้นนะครับก็เลยว่าธรรมะของหลวงพ่อจเจริญได้เร็วขึ้นฮะนี้หนึ่งรอบ ป, ปีก็กจเจริญกว่าคราวที่แล้วรอบ ป, ปีที่แล้วหลวงพ่อว่ายังไปเนีย่ยกระจายอยู่แต่ก็ก็วันนี้ก็รู้สึกว่ากลับมารวมได้ดีขึ้นดีครับผมเห็นใช่ไหมที่หลวงพ่อบอกกระจายเอ็นวันนั้นยังรู้สึกเป็นของดีฮะคิดว่าแสงสว่างเป็นของดีก็เลยไปติดอยู่ครับครับ ในมัสการครับดีขึ้นนะคุณคดีขึ้นเยอะเลยล่ะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้ปัญญ า, ายังนำอยู่แหละถ้า<ะ>จิตจะอยู่ในว่างนะครับแล้วพอใจรู้ว่าพอใจครับถ้าเป็นอุเบกขาเป็นกลางกับมันไม่เป็นไรเอาเป็นที่พักผ่อนครับการมัสการครับกลับนมรกา ร, การคร่ะหลวงพ่อคือว่า ส่งการบ้านเป็นครั้งแรกค่ะคือมีปัญหาที่ว่าปฏิบัติในรูปแบบแล้วก็พยายามจเจริญสติในชีวิตประจำวันคือถ้าปฏิบัติในรูปแบบไม่ว่าจะเป็นทําสมาธิหรือว่าสวดมนต์จะมีปัญหาตรงที่ว่าเกี่ยวกับความร้อนนะคะอะไรนะเกี่ยวกับความร้อนมือมันจะร้อนมากอะคะ่ะร้อนที่ไหนที่ ท, ที่ฝ่ามืออะคะ่ะอ๋อก็คือพยายามดูไปว่ามันเป็นธาตุไฟไม่ได้ถูกไป มาเองไปเองไม่เที่ยงอะไรอย่า ง, งนะะี้ค่ะแต่ว่าบางทีในชีวิตประจำวันบางทีมันก็ร้อนขึ้นมาหายใจไปสินะหายใจใช่ลมหลายใจไล่ไปตามกระดูกสันหลังไล่ค่อยๆปรับธาตุไปเรื่อยๆแต่แต่มันจะมีปัญหาตรงที่ว่าคือบางครั้งมันมันมั น, มนทนกับความร้อนนี้ไม่ไม่หวจริงๆอะคะ่ะจึงต้องหยุดยอมแพ้ค่ะลองทำให้ดูได้ไหม ทำไมมันร้อนทำให้ดูซิไม่รอ้อนเอางี้เดี๋ยวมาถามคุณมารีนี่นนะให้สอนรายละเอียดให้ค่ ะ, คคะก็คือให้ดูไปใช่ั้ยคะก็คือให้ดูไปใช่ั้มคะหลวงพ่อเออ้าต้องฝึกไปเรื่อยๆขอบคุณค่ะรับน้ำมศการหลวงพ่อค่ะ หนูปฏิบัตินะคะแล้วก็ปกติปฏิบัติแรกๆเนี่ยมันก็เป็นฟุ้งไปหมดเลยเพราะว่าเคยปฏิบัติแบบอยสมาธิ ม, มานะคะแล้วพอมาฟังแล้วก็ลองมาปรับใหม่นะคะก็ตอนนี้ก็เลยเห็นเห็นความอย่างเห็นความไม่พอใจเนี่ยพอเห็นปั๊บมันก็มันจะหยุดหยุดแทนที่จะยาวออกไปเยอะๆอหยุด แต่มันก็มันก็เป็นช่วงๆเท่านั้นมันก็ดีขึ้นหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันมันรู้สึกจิตมันไม่มีกําลังจิตไม่มีกําลังนะเรต้องทําเราปฏิบัติแนวปัสสาที่แบบเพ่งไปด้วยได้ไหมสองอย่างเด้ะเอาคู่ไปเลยนะคะเจะพุทโธจะหายใจอะไรก็ทําไปนะจิตจะได้มีแรงอ๋อแล้วอ๋อแล้วอีกนิดนึงนะคะเวลาหนูเบิกเนี่ยนะคะมันยังไม่เห็นใจรักเราค่ะหนูรู้ต่ว่าเวลาอะไรนะไม่เห็นใจรักนะคะ แต่ว่าหนูสุขรู้แต่ว่าอย่างเวลาหนูฟังเทศนะคะฟังเทศอย่างฟังเทศต่างๆของพระธรรมทานเนี่ยนะคะฟังแล้วเพลินๆบางทีจิตนึงก็บอกมันก็จะเข้าสมาธิแบบสงบนะคะอย่างนี้เนี่ยเราจะทําให้มันเป็นแบบอีกแบบหนึ่งได้ไหมคะหรือว่าให้เป็นอย่างนั้นเลให้มันพักไปให้มันพักไปเลยนะคะให้มันพักไปจิตอยากพักให้พักนะไม่ต้องไปแทรกแซงมันไม่ไมแทรกแซง เราแค่รู้ว่าตอนนี้เราทําสมาธิแบบสงบตอนนี้สมาธิแบบตั้งมั่นแค่รู้นะก็ไม่มีปัญหาแล้วต้องรู้อย่างเดียวต้องรู้นะคะไม่ให้มันเพลินอย่างนะคะใช่ไม่ไม่งั้นไปทําสมาธิสงบแล้วคิดว่าวันหนึ่งจะบรรลุมรรคผลนี่คนละเรื่องกันพอเราสงบพอพร้อมควรแล้วเราค่อยออกมาทําใช่ออกมาดูไกายแบบอย่างอย่างอย่าไปอยู่นั้นานนานใช่ไหมคะให้พักพอสบายแล้วก็มาเหมือนจะร่างกายเรานะพักผ่อนพอมีเรื่องมีแรงก็ต้องออกมาทำมาหากิน ไปพักตลอดการไม่ได้หลวงพ่อมีอะไรจะแนะนำเพิ่มเติมไหมคะจิตยังฟุ้งอยู่ก็ไปทำความสงบขึ้นมาขอบพระคุณค่ะพวกเราต้องไม่ดูถูกอาจารย์ก่อนๆ น, นะอย่างบางคนก่อนจะเจอหลวงพ่อก็มีครูบาอาจารย์มาก่อนแล้วอะไรเงี้ยธรรมเนียมปฏิบัติของเราชาวพุทธเนี่ยเราไม่ร่วงเกินครูบาอาจารย์ พระสารีบุตรเป็นตัวอย่างที่งดงามมากเลยพระสารีบุตรก่อนจะเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์สันชัยปริพาชกเป็นพวกนักปรัชญานักโต้เถียงแล้วท่านก็พบว่ามันไม่มีสาระแก่นสารอะไรท่านก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะได้เจอธรรมะที่แท้จริงพอเจอธรรมะที่แท้จริงแล้วเนี่ยพระสารีบุตรไปชวนอาจารย์ด้วยซ้ำไปนะ ว่าไปเรียนกับพระพุทธเจ้าไหมอะไรเงี้ยอาจารย์ไม่ไปสาติพุตรก็ลาอาจารย์ไปอยู่กับพระพุทธเจ้านะไม่เคยดูถูกอาจารย์เลยเพราะฉะนั้นอย่างเราเรียนมหาวิเลยเนี่ยเราต้องไม่ดูถูกครูประฐมนะถ้าไม่มีตรงนั้นมาเราคงไม่มีฐานที่ก้าวมาถึงวันนี้ได้นั่นใจเราต้องเห็นคุณงามความดีของคนอื่นใครทําความดีกับเรานะจะเล็กจะน้อยก็ต้องมองเห็นนะ ต่ไม่งั้นมนไม่ใช่วิถีของเราชาวพุทธที่แท้จริงหรอกบางคนไม่ดีนะพอมาเรียนกับหลวงพ่อแล้วไปว่าอาจารย์ไม่ไม่ถูกนะครับก็โอกาสสุดท้ายนี้จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลุงชินอย่างนี้นะครับกล่าวคำถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้ แด่พระอาจารย์ปราโมช์ปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลนานเทินเหยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนตีสาคารังเอวามวาอิโตทินังเปตานังอุปกรปติอิชิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวาสมิจฉตุสพเพปุเรนตูสังกปา จันโถปนรสโสยะถามณิชโชติรสโสยทถาสพีติโยวิวัตชันตุสภโรโควินาตุมาเตภวัตปันตรายโยสุขีทีพายุโกภวาอาภิวาทนาศีริสนิจังุทธาปจายโนจตาโรโธรมาวัฏทันตีอายุวันโนสุขังพลังเดินหน้าหลวงพ่อไม่ได้มาที่นี่นะ ก็บอกยัง